ผมหัดทำสมถะมาหลายปีแล้วมีแต่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสลับกันอยู่เสมออยากทราบว่าควรจะเริ่มทำมิปัสสนาตอนไหนนักปฏิบัติที่มุ่งทำสมถะนั้นมักพบว่าจิตสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านนั่นเป็นธรรมชาติของจิตเพราะความสงบก็เป็นของไม่เที่ยง หากคิดจะทำความสงบให้ถาวรสะก่อนจึงจะเริ่มทำวิปัสนาเราก็อาจไม่มีโอกาสจเจริญวิปัสนาเลยจนตลอดชีวิตดังนั้นควรจะเริ่มทําวิปัสนาได้แล้ววิปัสสนา น, นเราทําเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดนึกปรุงแต่งอย่างคุณ น, นั้นชอบทําสมถะคุณก็สามารถเริ่มทําวิปัสนาได้ โดยเมื่อจิตเริ่มถอนออกจากสมาธิก็ให้คุณมีสติระลึกรู้ถึงความสงบสุขที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆถัดจากนั้นก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปตามลำดับแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้หัดทำชาญก็ให้มีสติเจริญวิปัสสนาไปเลยคือจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จนเห็นว่าทั้งจิตทั้งความสงบ และความฟุ้งซ่านล้วนแต่เป็นนามธรรมที่เกิดดับเกิดดับไปตามปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่จะบังคับเอาได้ตามใจชอบถามผมเรียนและทำงานทั้งวันไม่มีเวลาเจริญสติถ้าคุณรู้จักการเจริญสติ คุณจะไม่บ่นว่าไม่มีเวลาจเจริญสติเพราะเราสามารถจเจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาหลับยกเว้นในเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดเท่านั้นลองสังเกตดูแล้วจะพบว่ามีเวลาให้ปฏิบัติได้อีกตั้งมากมายผู้ที่บ่นว่าไม่มีเวลาปฏิบัติมักจะคิดว่าการปฏิบัติคือการที่ต้องทำอะไรบางอย่างตามรูปแบบ ซึ่งเป็นเรื่องที่กินเวลามากในเวลาเรียนหรือทำงานจะเจริญสติได้อย่างไรถ้าทำงานที่ต้องใช้ความคิดก็ต้องมีสมาธิจดจอ่ออยู่กับการใช้ความคิดไม่ใช่เวลาเจริญสติเช่นคุณมีหน้าที่ฟังอาจารย์บรรยายคุณต้องฟังให้รู้เรื่อง คือฟังเอาเนื้อความอย่าไปเจริญสติจนเห็นว่าเสียงที่กระทบหูเป็นศักว่าเสียงเพราะคุณจะฟังไม่รู้เรื่องหรือถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ในเวลาทำงานคุณอย่าไปรู้แค่อาการเคลื่อนไหวของนิ้วมือคุณต้องคิดต้องจดจ่ออยู่กับการทำงานแต่ถ้าคุณทำงานที่ใช้แรงกายเช่นกวาดบ้าน รดน้าต้นไม้หรือการทำงานในโรงงานในส่วนที่ไม่ต้องใช้ความคิดอย่างนี้เจริญสติไปด้วยได้เลยโดยการเจริญอิริยาบถย่อยก็ได้รู้เวทนาหรือรู้จิตก็ได้ถามง่วงนอนจะดูจิตหรือเจริญสติได้อย่างไรจะแก้ง่วงได้อย่างไร คุณควรจำแนกให้ออกว่าง่วงเพราะกายหรือง่วงเพราะใจถ้า ง, ง่วงเพราะใจก็แสดงว่าง่วงเพราะกิเลสคุณควรเจริญสติระลึกรู้กิเลสนั้นถ้าทำไม่ไหวก็หาผัสสะที่แรงขึ้นหรือเปลี่ยนอารมณ์เสนหน่อยแต่ถ้า ง, ง่วงเพราะกายเหน็ดเหนื่อยก็ควรพักผ่อนบ้าง ความจริงเรื่องง่วงนอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนท่านพระมหาโมคคลานะถึงมาตรการปฏิบัติแปดประการคุณลองไปศึกษาดูก็แล้วกันถามในเวลานอนจะเจริญสติอย่างไรและจะทำกรรมฐานหรือเจริญสติในฝันได้ไหมครับเวลานอน คือเวลาที่จำเป็นต้องพักผ่อนถือว่ามีหน้าที่นอนให้ทำใจสบายๆรู้กายหรือรู้ลมหายใจไปอย่างเบาๆเพื่อให้หลับสนิทเวลาหลับก็จะเป็นสุขเวลาตื่นก็จะเป็นสุขและไม่ฝันร้ายด้วยแต่ถ้านอนไม่หลับก็คิดซะว่าวันนี้มีโอกาสดีจริงๆจะได้นอนจเจริญสติทั้งคืน คิดอย่างนี้ไม่นานก็หลับแต่ถ้าคิดอยากหลับจะไม่หลับเลยส่วนการทํากรรมฐานหรือจเจริญสติในฝันนั้นเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้เลยอย่างเก่งก็ได้แค่ฝันว่าทํากรรมฐานแต่ไม่ใช่การทํากรรมฐานจริงๆเพราะในฝันนั้นไม่มีสติสัมปชัญญะและไม่สามารถรู้อารมณ์รูปนามได้จริง ความฝันก็คือความคิดในเวลาหลับเช่นเดียวกับความคิดก็คือความฝันในเวลาตื่นเราทำกรรมฐานในความคิดไม่ได้ชั้นใดก็ทำกรรมฐานในความฝันไม่ได้ชั้นนั้นถามเวลาจเจริญสติดูจิตจะดูที่กลางอกหรือตั้งฐานที่ไหนดีครับ หลวงปู่ดูลท่านสอนอาตมาว่าจิตไม่มีที่ตั้งดังนั้นไม่ต้องหาที่ตั้งให้จิตเป็นการถาวรแท้จริงจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ซึ่งอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตก็เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ทางทวารทั้งหกนี้เช่นกันที่ตั้งทางตาหูจมูกลิ้นและกายนี้เข้าใจได้ง่ายว่าอยู่ตรงไหนส่วนที่ตั้งของความรู้สึกทางใจนั้นหากความรู้สึกทางใจเช่นความโลภความโกรธความดีใจเสียใจเกิดขึ้นที่ไหนก็รู้ตรงนั้นอย่าเริ่มต้นการดูจิตด้วยการเพ่งที่กลางอกหรือที่สมอง หรือที่กลางหน้าผากกิเลสเกิดตรงไหนแล้วดับลงตรงไหนก็รู้ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปหาที่ตั้งถาวรให้จิตรอกถามจะทำสติให้เกิดได้อย่างไรครับทำไม่ได้เพราะสติจะเกิดหรือไม่เกิดเป็นไปตามที่มโนทวาราวัชนะจิต หรือโวตทัปนจิตสั่งไม่ใช่ตามที่เราอยากให้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติมีอันเดียวคือมันสังเกตสภาวะรูปนามเข้าไว้เช่นจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตเผลอก็รู้จิตเพ่งก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตรักก็รู้ จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหมดหูก็รู้จิตแสวงหาก็รู้รูปยืนก็รู้รูปเดินก็รู้รูปนั่งก็รู้รูปนอนก็รู้หรือกายมีอาการเคลื่อนไหวก็รู้จิตมีอาการเคลื่อนไหวก็คอยรู้เรื่อยไป หากจิตมีความเข้าใจสภาวธรรมใดชัดเจนแล้วเมื่อสภาวธรรมนั้นปรากฏโวอดทะปณะจิตก็จะเป็นปัจจัยให้สติเกิดโดยไม่ต้องจงใจทำขึ้นมาสติที่เกิดเองนี่แหละเป็นสัมมาสติจริงๆจิตในขณะนั้นจะโปรง่งเบาเบิกบานไร้น้ำหนักส่วนสติที่จงใจสร้างขึ้นมาด้วยอานาจของตัณหา ไม่ใช่สติจริงจะมีลักษณะแข็งกระด้างหนักแน่นใช่ทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกถามจะทำให้สติต่อเนื่องได้อย่างไรครับใครก็ทำสติให้ต่อเนื่องไม่ได้แค่ทำสติขณะจิตเดียวยังทำไม่ได้เลย เพราะจิตจะมีสติหรือมีกิเลสก็ด้วยอา น, นาจของมโนทวาราวัชณะจิตหรือโวตถพนจิตเป็นผู้กำหนดและเมื่อสติเกิดแล้วถึงอย่างไรก็เกิดได้ในช่วงสั้นๆตารา บ, บอกว่าเกิดได้ทีละเจ็ขณะจิตเท่านั้นจะทำให้ต่อเนื่องยาวนานกว่านั้นไม่ได้เว้นแต่ทำชาณะจิตแต่ถ้าคุณฝึกจเจริญสติปฐาน จนจิตคุ้นเคยที่จะมีสติแล้วสติจะเกิดบ่อยๆได้ถ้าสติเกิดได้บ่อยมากเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีสติต่อเนื่องได้เหมือนกันถ้าเช่นนั้นจะพัฒนาจิตได้อย่างไรคะไม่ต้องไปคิดพัฒนาจิตหรอกเพราะจิตเป็นของเกิดดับและไม่ใช่ตัวตนอะไรของเรา สิ่งที่ควรจะทำก็คือการฝึกใจให้วนเวียนอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลเสมอๆด้วยการคิดในสิ่งที่ดีเช่นอนุสติสิด้วยการพูดในสิ่งที่ดีเช่นกาถาวัตถุสิบด้วยการทำในสิ่งที่ดีอื่นๆเช่นการครบกัยาณมิตรและสิ่งที่สำคัญที่นักปฏิบัติจะขาดไม่ได้ก็คือการหมั่นสังเกต และการเรียนรู้สภาวะทั้งรูปและนามอยู่เนืองๆแต่ต้องระวังอย่าเร่งร้อนสังเกตแบบจ้องตาไม่กระพริบเพราะจะเผลอไปเพ่งแทนการรู้ได้ง่ายๆการที่เราน้อมให้จิตไหลอยู่ในกระแสกุศลเนืองๆจะทำให้วอดทพนจิตตัดสินให้มหากุศลจิตเกิดบ่อยๆ ทำนองเดียวกับการที่ปล่อยใจไปในทางชั่วเสมอเสมอจนความชั่วกลายเป็นอนุัยหรือความเคยใจในทางที่ชั่วก็จะทำให้วอธทะพนจิตตัดสินให้กุศลจิตเกิดขึ้นเสมอเสมอยิ่งถ้าเคยเรียนรู้เคยสังเกตสภาวะบ่อยๆมหากุศลจิตที่เกิดก็จะประกอบด้วยปัญญาสามารถรู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงได้บ่อย จนเกิดความรู้จริงรู้แจ้งและรู้ปล่อยวางรูปนามในที่สุดถามฟังหลวงพ่อพูดแล้วผมชักงงงงเพราะทำอันนั้นก็ผิดทำอันนี้ก็ผิดแล้วที่ถูกจะทำได้อย่างไรกันที่ถูกทำเอาไม่ได้เพราะถ้าเมื่อใดคุณพยายามทำ หรือปฏิบัติด้วยตันหาอุปาทานคุณก็ก้าวไปสู่ความผิดพลาดเรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่ต้องสนใจว่าทำอย่างไรจึงจะถูกให้รู้ทันอาการปรากฏทางกายหรือตามรู้อาการปรากฏทางใจที่มันเที่ยวทาโน่นทานี่ไวเ้เถอแล้วการปฏิบัติจะถูกเองโดยอัตโนมัติ ดิฉันฝึกเจริญสติแล้วตัวแข็งหลังแข็งคอแข็งใจว่างๆเบลอๆจนต้องรับประทานยาแก้โรคประสาทรับประทานยายอย่างไรก็ไม่หายขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีแก้ไขด้วยค่ะอาการที่คุณกล่าวมานั้นเกิดจากการที่คุณฝึกเพ่งฝึกตรึงความรู้สึกไว้ที่กายตลอดเวลา เพราะกลัวจะขาดสตินั่นไม่ใช่การจเจริญสติหรอกเพราะเป็นการทำตามคำสั่งของตัณหาคือความอยากจะปฏิบัติธรรมตราบใดที่ยังไม่เลิกตรึงความรู้สึกไว้กับกายอาการของคุณจะไม่หายไปให้คุณรู้ทันการตรึงความรู้สึกไว้พอเลิกตรึงอาการทางกายเหล่านั้นก็จะตุเลาไปเอง ถามดิฉันสังเกตเห็นว่าในเวลาปกติจิตใจก็สบายดีแต่พอเริ่มกำหนดรูปนามจิตจะหนักแน่นแข็งแข็งหาความสบายไม่ได้เลยต้องเป็นอย่างนั้นแน่เพราะเป็นการปฏิบัติด้วยตัณหาตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์มีตัณหาก็ต้องมีทุกข์เป็นธรรมดา แต่ถ้าเมื่อใดสภาวะรูปนามอันใดปรากฏคุณรู้ไปตามนั้นจิตของคุณจะไม่แน่นไม่หนักเลยแต่จะกลับรู้ตื่นและเบิกบานในทันทีนั้นเพราะจิตปราศจากตัณหาถามคุณจะเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยการรู้กายหรือรู้จิต ถ้ารู้กายแล้วสติเกิดบ่อยก็ให้รู้กายถ้ารู้จิตแล้วสติเกิดบ่อยก็ให้รู้จิตอย่าถือว่ากายหรือจิตอันใดสําคัญกว่ากันที่สําคัญคือความมีสติหรือความรู้สึกตัวต่างหากถาม ผมเคยได้ยินอาจารย์รูปหนึ่งสอนว่าเบื้องต้นต้องพิจารณากายเสียก่อนจะไปรู้จิตเลยทีเดียวไม่ได้เพราะเป็นการข้ามขั้นตอนเหมือนกับการขึ้นต้นไม้ทางยอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเริ่มปฏิบัติ ด, ด้วยการดูจิตนั้นเหมาะกับคนที่เคยเป็นฤษีได้ชาญมาก่อนแล้วเท่านั้นอาตอมาก็เคยได้ยินคํากล่าวอย่างนั้นเหมือนกันแต่คำภีร์ทั้งหลาย นับแต่พระไตรปิฎกลงมาไม่ได้สอนไว้อย่างนั้นโดยเฉพาะอัตถกถามหาสติปฐานสูตรเปรียบสติปฐานสี่ว่าเหมือนประตูเมืองสี่ทิศเข้าประตูเดียวคือตามรู้กายเวทนาจิตหรือธรรมเพียงอันใดอันหนึ่งก็เข้าถึงเมืองคือนิพพานได้เหมือนกันและท่านสอนด้วยว่าจิตตานุปัสสนา เหมาะกับวิปัสสนาญาณ น, นับว่าตรงข้ามกับคําสอนที่ว่าต้องทำฌานก่อนจึงจะดูจิตได้ถามผู้ปฏิบัติจะทำปัจฐานเดียวหรือต้องทำทุกปัจฐานถ้าต้องทำทุกปัจฐานต้องทำไปตามลาดับคือกายเวทนาจิตและธรรมหรือไม่ครับ อาตมาเพิ่งตอบไปดูนี้เองว่าทำอันเดียวก็ได้เพราะเราจะเริญนสติปัฏฐานเพื่อให้สติเกิดเนืองๆแล้วทำฝ่ายกุศลก็เกิดตามมาจะทำปัฏฐานใดก็เกิดสติได้ทั้งนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อสติมีความคล่องตัวแล้วถ้าจิตจะท่องเที่ยวไปในปัฏฐานทั้งสก็เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรา สำหรับการไปทำตามลำดับกายเวทนาจิตธรรมนั้นอาตมาก็เคยแนะนำบางคนเหมือนกันแต่ถ้าทำคล่องแล้วจิตจะพลิกแพลงข้ามไปฐานนั้นฐานนี้ได้โดยไม่เรียงลำดับเราอารมณ์ใดรู้ชัดก็รู้อารมณ์นั้นด้วยความมีสตินั่นแหละถาม ขอถามความเห็นของหลวงพ่ออีกสักครั้งว่าการปฏิบัติในสายไหนดีกว่าสายไหนอาตมาตอบให้ไม่ได้หรอกคุณลองศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้ชัดๆในเรื่องกิจในอริยสัจสติปฐานสมถะและวิปัสสนาแล้วคุณจะตอบได้เองคือแยกได้ว่าอันใดเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า อันใดเป็นอุบายของอาจารย์แล้วก็ลองพิจารณาดูว่าอุบายที่อาจารย์สอนนั้นปลายทางจะส่งผลตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าอุบายของอาจารย์ส่งให้เกิดผลถูกต้องก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะอุบายบางอย่างก็จำเป็นสำหรับบางคนแต่ไม่มีหรอกนะที่อุบายอันเดียวกันจะใช้ได้กับคนทุกคน ซึ่งจริตนิสัยและวาสนาบารมีต่างกันถ้ามีอุบายดีวิเศษอย่างนั้นจริงพระพุทธเจ้าท่านคงสอนเอาไว้แล้วละ่ะถามดิฉันหัดเจริญสติในชีวิตประจำวันบางทีก็เกิดสับสนว่าที่กำลังทำอยู่นี้เรารู้ตัวหรือว่าเผลอกันแน่ ถ้าเกิดอาการอย่างนี้ดิฉันควรจะทําอย่างไรดีให้คุณรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เพราะความสงสัยนั่นแหละเป็นปัจจุบันอารมณ์หลวงพ่อมักสั่งให้รู้ความสงสัยโดยไม่ให้คิดหาคําตอบแล้วจะเกิดความรู้ได้อย่างไรคะเกิดได้สิคือจะเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้น แล้วก็ดับไปความรู้ตรงนี้สำคัญกว่าการที่จะเที่ยวคิดสแสวงหาคำตอบสิอีกคุณเคยได้ยินไหมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเราต้องการรู้ความจริงเพียงเท่านี้เองความรู้อื่นๆไม่สำคัญหรอก จะรู้ได้อย่างไรว่ารู้ได้ถูกต้องแล้วต้องเคยรู้จักสภาวะรู้ที่ถูกต้องพอสภาวะรู้เกิดขึ้นก็จะรู้ได้เลยว่ารู้ถูกแล้วหรือไม่อาตมามีข้อเสนอแนะให้คุณลองสังเกตสภาวะบางอย่างดูคือหนึ่งถ้าคุณรู้โดยจงใจที่จะรู้อันนั้นก็ผิดแล้ว แต่ถ้าสติเกิดขึ้นเองเช่นโกรธอยู่แล้วเกิดรู้ว่าโกรธเผลออยู่แล้วเกิดรู้ว่าเผลออย่างนี้จึงใช้ได้ 2. ถ้ารู้แล้วคุณจงใจเข้าไปดัดแปลงหรือแทรกแซงจิตหรืออารมณ์อันนั้นก็ผิดแล้วแต่ถ้าคุณรู้อย่างศักว่ารู้ด้วยจิตที่เป็นกลางไม่ยินดียินร้าย อย่างนี้จึงใช้ได้และสถ้ารู้แล้วจิตเกิดโทมนัสเวทนาคือมีความอึดอัดหรือทุกข์ใจอันนั้นก็ผิดแล้วเพราะรู้ที่ถูกนั้นจิตจะเป็นมหากุศลจิตซึ่งมีได้เฉพาะโสมานัสเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเท่านั้นส่วนโทมนัสเวทนาย่อมเกิดร่วมกับอกุศลจิตเท่านั้น ถามผมดูอารมณ์อกุศลอย่างไรก็ไม่ดับเช่นพอโทสะเกิดขึ้นดูอย่างไรก็ดับโทสะไม่ได้ถ้ามีสติถูกต้องเป็นสัมมาสติเมื่อใดจิตในขณะนั้นจะมีโทสะหรืออกุศลใดๆไม่ได้เลยเพราะอากุศลกับสติเกิดพร้อมกันไม่ได้แต่ที่คุณเห็นว่าโทสะมีอยู่ และไม่ดับไปเสียทีก็เพราะในขณะนั้นคุณไม่ได้มีสติแต่มีโทสะที่จะละโทสะอีกอย่างหนึง่งเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อละโทสะเพราะโทสะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับเราปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นความจริงว่าโทสะและรูปนามทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาต่างหากทำอย่างไรจึงจะเห็นไตรลักษ์ได้คะคุณต้องรู้รูปนามจึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้คือเมื่อใดมีสติสัมปชัญญะรู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงถึงไม่ อ, อยากเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นเพราะรูปนามมีไตรลักษณ์แนบอยู่แล้วเป็นนิด เปรียบเหมือนคุณมีผ้าที่มีตาหนิอยู่ผืนหนึ่งหากคลี่ผ้าออกดูเสมอๆก็ย่อมพบตำหนินั้นจนได้แต่ถ้าไม่ดูผ้าผืนนั้นคือไม่ดูรูปนามหรือเอาแต่คิดคาดคะเนว่าผ้าน่าจะมีรอยตำหนิคือหลงอยู่กับความคิดหรือสมมุติบัญญัติคุณก็เห็นตำหนิของจริงคือไตรลักษณ์ไม่ได้ แล้วต้องช่วยจิตคิดพิจารณาหรือเปล่าคะไม่ต้องแต่ถ้าจะช่วยก็ช่วยให้น้อยที่สุดเราต้องการเห็นความจริงจึงไม่ควรเอาความคิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านมากจะคิดพิจารณาบ้างก็ได้เป็นการทำสมถะพอคิดคิดแล้วจิตก็สงบได้จึงค่อยจเจริญสติ ไปถ้าอย่างนั้นจะดับความคิดได้อย่างไรคะดับไม่ได้หรอกจิตเป็นอนัตตาสมมุติบัญญัติก็เป็นอนัตตาจิตมันปรุงความคิดจะไปห้ามมันไม่ได้แต่ถ้ารู้ทันว่าจิตคิดและไม่ไปช่วยมันคิดความคิดมันจะขาดไปเองหรือถึงมีอยู่ ก็มีอยู่อย่างเบาๆไม่หนักและไม่เป็นตัวเป็นตนอะไรเลยถามถ้าเราไม่คิดเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไรครับเราเกิดปัญญาเพราะเห็นความเป็นจริงของรูปนามไม่ใช่เพราะคิดถึงรูปนามพวกเราควรจับหลักการปฏิบัติไว้ให้ดีว่า ถ้าจะเจริญวิปัสนาต้องรู้อารมณ์ปรมัตคือรูปนามส่วนเรื่องบัญญัตินั้นไม่สำคัญหรอกอาตมาจะบอกให้ว่าดูสิ่งใดไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าดูฟังสิ่งใดไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าฟังคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิต มีอาการคิดแสวงหาอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการแสวงหาเพ่งอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการเพ่งสุขทุก์เรื่องอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าสุขทุกรักอะไรไม่สําคัญ สำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการรักโกรธอะไรไม่สำคัญสำคัญท okay. ี่รู้ว่าจิตมีอาการโกรธฟุ้งซ่านเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการฟุ Traffic> ้งซ่านและหดหูด้วยเรื่องอะไรไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตมีอาการหดหูเป็นต้น ถามผมปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำมาช่วงหนึ่งแล้วได้พบว่าจิตมีอาการแปลกๆคือเวลาที่เห็นรูปอยู่นั้นจะไม่มีสุขทุกข์ดีชั่วอะไรแต่การดูมันเกิดเพียงวับเดียวแล้วมันก็ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจใจจะจำได้ว่าอารมณ์นั้นคืออะไรดีหรือไม่ดีถ้าคิดได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ดี ราคาก็จะเกิดขึ้นถ้าคิดได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีโทสะก็จะเกิดขึ้นถัดจากนั้นจิตจะเบลอเบลงนิดหนึ่งแล้วอารมณ์ก็ดับหายไปหมดชั่วระยะสั้นๆถัดจากนั้นความรับรู้อารมณ์จึงเกิดขึ้นใหม่อาจจะรับรู้ทางตาทางหูหรือทางใจก็ได้ผมเชื่อแล้วว่ารูปนามันเกิดดับได้ และรูปใหม่ก็ไม่ใช่รูปเดิมนามใหม่ก็ไม่ใช่นามเดิมคุณสังเกตได้อีกไหมว่าเราเลือกไม่ได้ที่จะรู้อารมณ์ทางทวารใดๆทั้งสิ้นจิตก็ทำงานของเขาไปได้เองและจิตจะเกิดกุศลหรืออกุศลก็เป็นสิ่งที่เราทำขึ้นไม่ได้จิตก็ทำของเขาเองใช่ครับ ถ้าเราจเจริญสติได้ถูกต้องแล้วเราจะเห็นความจริงไม่ยากเลยการที่เห็นอารมณ์เก่าดับไปแล้วมีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นนั่นเป็นการจเจริญวิปัสสนาจริงๆแล้วให้ทำต่อไปเถอดดูแล้วไม่รู้ว่ารู้อะไรรู้แต่ว่าจิตมีการกระทาบางอย่างดีแล้วที่รู้ ไม่จาเป็นต้องรู้ว่ารู้อะไรหรอกเพราะอะไรที่ถูกรู้นั้นมันมักจะเป็นแค่สมมติบัญญัติเท่านั้นถามเราจะปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่มรรคผลนิพพานทำไมเราไม่กำหนดรู้ความว่างหรือมหาสุญญาตาโดยตรงล่ะครับทำไมจึงต้องอ้อมไปหานิพพานโดยผ่านทางการรู้ทุก หรือรูปนามนิพพานไม่ใช่โลกอีกอันหนึ่งที่ว่างๆและไม่มีอะไรเลยแต่นิพพานคือความดับตัณหาหรือวิราคะและคือความดับของความปรุงแต่งคือรูปนามหรือวิสังขารดังนั้นถ้าจู่ๆเราดูเข้าไปที่ความว่าง เราจะหลงเพ่งช่องว่างหรือเพ่งความไม่มีอะไรเลยนิพพานชนิดนั้นเรียกว่านิพพานพรมไม่ใช่นิพพานพุทธผลทางปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินจึงต้องรู้ถุกคือรู้ความปรุงแต่งหรือรูปนามจนเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงจึงหมดตันหาเมื่อใดหมดตันหา เมื่อ น, นั้นทำที่ปราศจากตันหาและปราศจากความปรุงแต่งก็จะปรากฏออกมาให้รู้ได้ด้วยใจสภาวะใดยังมีตันหาและสภาวะใดยังมีรูปนามสภาวะนั้นไม่ใช่นิพานตัวตนและสมมติปัญญิทั้งหลายคือภาพลวงตาที่ตั้งซ้อนอยู่กับรูปนามเมื่อเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริง ภาพลวงตาก็หายไปเมื่อเห็นแจ้งอย่างนี้ความยึดถือรูปนามก็ดับไปเมื่อจิตปล่อยวางรูปนามหมดความดิ้นรนแส้สายเพราะความหิวในอารมณ์นิพพานคือความดับแห่งตัณหาก็ปรากฏขึ้นเรียกว่ากิเลสนิพพานหรือสอุปาทิเศ ส, สนิพพานเมื่อรูปนามนี้ ดำรงสืบต่อจนหมดวิบากที่ส่งผลให้เกิดขึ้นได้ตั้งอยู่แล้วรูปนามนั้นก็ดับไปเหมือนไฟหมดเชือ้อเรียกว่าขันธนิพานหรืออนุปาที่เสสนิพานจะเห็นได้ว่านิพานไม่ได้ปรากฏออกมาเพราะการสแสวงหานิพานแต่ปรากฏเพราะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามเสียได้ ถามเมื่อเราปฏิบัติมากเข้าสภาวะของสติปัญญาและจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับเปลี่ยนแต่เขาเปลี่ยนของเขาเองไม่ใช่เราไปบังคับให้เขาเปลี่ยนได้อาตมาจะยกตัวอย่างให้ฟังสติเบื้องต้นจะเกิดน้อยนานๆนนจะเกิดครั้งหนึ่ง แต่เมื่อมันตามรู้กายตามรู้ใจหนเนืองจนจิตรู้จักสภาวธรรมได้มากและแม่นยําแล้วสติก็จะเกิดเร็วขึ้นความเผลอก็จะสั้นลงเรื่อยๆและสตินั้นเบื้องต้นรู้ได้แต่อารมณ์หยาบๆเบื้องกลางรู้อารมณ์ได้ละเอียดขึ้นเบื้องปลายรู้ได้ทุกอย่างปัญญา เบื้องต้นรู้สภาวะรูปนามเบื้องกลางรู้ลักษณะหรือไตรลักษณ์เบื้องสูงรู้อรยิยสัจสูงสุดรู้นิพพานจิตเบื้องต้นคลุกรวมอยู่กับอารมณ์จมอยู่กับรูปนามรู้รูปนามอย่างมีส่วนได้เสียเบื้องกลางถอดถอนตนเองขึ้นเริ่มจากการถอดถอนบ้างรวมบ้าง จนไม่รวมเข้ากับรูปนามเลยและเหมือนลอยอยู่กลางความว่างถึงจุดนี้ผู้ปฏิบัติอาจจะสงสัยว่าแล้วควรจะให้รู้ที่ใดระหว่างจิตอารมณ์และความว่างจึงเที่ยวค้นคว้าหาทางเดินต่อไปเพราะพอรู้รูปนามก็ถูกพอรู้จิตก็ว่างไม่มีอะไรเหมือนโง่อยู่เฉย การเพียนรู้รูปนามหรือจิตก็ยังมีการกระทําหรือกรรมที่เรียกว่าปุญญาพิสังขารพอจะรู้ความว่างก็ยังต้องส่งใจออกไปรู้ว่างชนิดนี้จึงเป็นว่างที่รู้ด้วยอำนาจบงการของตัณหายังมีอเนนชาพิสังขารผู้ปฏิบัติอย่างไม่รอบคอบและมีปัญญาไม่พอจิตจะแล่นไปยึดเอาความว่าง คือความไม่มีอะไรมาแทนขันเพราะคิดว่าความว่างคือนิพพานที่จริงนั่นเป็นอารมณ์อรูปไม่ใช่นิพพานเมื่อเจริญสติมากเข้าจนจิตเข้าใจอริยสัจแจมแจ้งคือรู้ว่ารูปนามหรือขันนั่นแหละคือทุกข์แต่ถ้าสิ้นตัณหาคือหมดอยากหมดยึดขัน จิตก็หลุดพ้นจากกองขันก็คือผลทุกข์เมื่อรู้แจ้งอริยสัจอย่างนี้แล้วจิตก็ถอดถอนหลุดพ้นออกจากกองทุกข์คือขันและพ้นจากการกระทบกระทั่งของกิเลสทุกข์หรือขันก็ยังคงมีอยู่เพราะวิบากยังให้ผลอยู่แต่ใจพ้นทุกข์ลอยอยู่เหนือกองทุกข์เพราะสิ้นตัณหา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตไว้กับขันความสิ้นตัณหานี่แหละคือนิพพานเป็นสภาพที่พ้นทุกข์คือขันพ้นกิเลสโดยไม่ต้องส่งจิตเข้าไปหานิพพานในความว่างที่ไหนเลยถึงจุดนั้นจะเห็นชัดว่าสภาวะธรรมทั้งปวงคือจิตเจตสิกรูปนิพพาน เป็นเพียงอารมณ์ที่ปรากฏเท่านั้นไม่มีเจ้าของผู้ครอบครองแต่อย่างใดเลยถามฟังหลวงพ่อกล่าวถึงเรื่องจิตอยู่เหนือขันแล้วทำให้นึกได้ว่าเคยอ่านคำสอนของท่านหวงโปมีกล่าวถึงคำว่าจิตหนึ่งขอทราบว่าจิตหนึ่งคืออะไรครับ คำว่าจิตหนึ่งไม่มีปรากฏในคําสอนฝ่ายเทรวาดแต่ถ้าเทียบเคียงสภาวะก็น่าจะได้แก่มหากิริยาจิตซึ่งมีเฉพาะในพระอรหันต์เท่านั้นถามขอเรียนถามว่าจิตของพระอรหันต์ที่เรียกว่า มหากิริยาจิตนั้นมีลักษณะอย่างใดตามตำราบอกว่าเจ้าวนาจิตที่รู้อารมณ์ทางใจโดยไม่ทํากรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนั่นแหละคือมหากิริยาจิตจิตชนิดนี้พวกเรายัางไม่มีเรามีแต่จิตที่ทํากรรมเรียกว่ามหากุศลจิต อกุศลจิตลองสังเกตจิตใจตนเองดูก็ได้จะพบว่ามันแอบทำงานอยู่แทบตลอดเวลาทั้งการทำงานที่เป็นบุญเป็นบาปและการเที่ยวแสวงหาความว่างสิ่งที่ผลักดันให้จิตทำงานหรือทากิจทำกรรมก็คือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่รู้ทุก หากจิตมีปัญญารู้แจ้งว่าการจงใจหรือการมีเจตนาสแสวงหาอารมณ์ทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปและความว่างอันเป็นการทำงานหรือทำกิจทำกรรมของจิตจะนำทุกมาให้คือเป็นปัใจจัยให้เกิดรูปนามจิตก็จะหมดการกระทำกิจหรือกระทำกรรมหรือหมดพฤติกรรมเข้าถึงสภาวะรู้ที่เป็นธรรมดา เป็นตัวของตัวเองไม่ถูกสิ่งใดครอบงำว่างจากกิเลสและว่างจากความปรุงแต่งดังนั้นพวกเราควรรู้ทุกคือรู้รูปนามตามความเป็นจริงเมื่อรู้ทุกแจ่มแจ้งแล้วสมุทัยก็เป็นอันถูกละไปโดยอัตโนมัตินี่โรดคือความดับตัณหา ก็เป็นอันถูกรู้แจ้งการรู้ทุกข์ละสมุทยัยและมีนิพพานหรือนิโรธเป็นอารมณ์นั่นแหละคืออริยมรรคอันนี้อาตมาไม่ได้พูดเองนะแต่อตตกถามหาสติปฐานสูตรกล่าวไว้อย่างนี้ถามได้ทราบว่าบางคน ฟังคำสอนของหลวงพ่อเพียงไม่กี่ครั้งก็เข้าใจและนำไปปฏิบัติได้แต่บางคนเช่นตัวผมเองฟังมาหลายปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจสักทีผมสงสัยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับถ้าคุณลืมความเชื่อและความคิดเห็นของตนเองซสีให้หมดว่าการปฏิบัติธรรมควรจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วมีสติระลึกรู้อาการทางกายหรืออาการทางจิตในปัจจุบันไปเลยคุณก็จะเข้าใจในสิ่งที่อาตมากล่าวได้ในเวลาอันสั้นแต่ถ้าคุณเอาแต่คิดว่าจะปฏิบัติอย่างไรดีนะแล้วพยายามค้นคว้าหาวิธีปฏิบัติคุณก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่อาตมากล่าวนี้ตลอดไปขอยกตัวอย่างสัก4ีห้ารายก็แล้วกัน มีบุคคลท่านหนึ่งเป็นคนไทยในสหรัฐวันหนึ่งเข้ามาหาอาตมาและบอกว่าผมอ่านวิมุตติปฏิปทาทางอินเทอร์เน็ตแล้วลงมือปฏิบัติดูที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือยงังอาตมา ต, ตอบว่ายังไม่ถูกเพราะคุณยังปฏิบัติอยู่การปฏิบัตินั่นเองคือความปรุงแต่ง ถ้าคุณตามรู้กายใจโดยไม่ปรุงแต่งคุณก็ว่างจากความเป็นตัวตนอยู่แล้วเพียงเท่านี้ท่านผู้นี้ก็เข้าใจได้ว่าการเจริญสติที่แท้จริงนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยสิ่งใดปรากฏทางกายเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนก็รู้ไปให้ตรงตามความเป็นจริงที่มันเป็นเพียงรูปธรรม ไม่เจตสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือสิ่งใดปรากฏทางจิตเช่นสุขทุกโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูก็รู้ไปให้ตรงความเป็นจริงที่มันเป็นเพียงนามธรรมไม่เจตสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอีกท่านหนึ่งภาคเพียรฟังอาตมาอยู่หลายปี ฟังแล้วก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านถึงเดือนก็กลับมารายงานผลการปฏิบัติมาถามว่าที่หนูปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือยังอาตามาก็ตอบว่าอย่างมันผิดที่ไปแต่งจิตแต่งอารมณ์ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าทําให้รู้ไปตามที่มันเป็นตังหากเธอผู้นั้นร้องไห้ กลับไปหาทางทำแบบใหม่ไม่อีกทุกเดือนจนวันหนึ่งหมดกำลังใจที่จะทำและเกิดเห็นว่าจิตกำลังทอแท้ก็เลยปฏิบัติเป็นเพราะพอจิตทอแท้ก็รู้ว่ากำลังทอแท้อยู่อีกท่านหนึ่งเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันพยายามทำอยู่เป็นปีจนหมดกำลังใจ คิดว่าเราคงไม่มีวาสนาที่จะปฏิบัติขอทำบุญอย่างเดียวก็แล้วกันพอปรงตกอย่างนี้จิตที่เคยหนักอึ้งเพราะความอยากปฏิบัติก็สลายไปจิตหมดความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะความอยากปฏิบัติธรรมเกิดความโปร่งเบาแล้วก็มีสติรู้อาการโปร่งเบานั้นก็เลยเข้าใจว่า การปฏิบัติจริงๆก็แค่รู้นี่เองอีกท่านหนึ่งก็คล้ายกันเป็นสิทธิทางอินเทอร์เน็ตคนแรกทีเดียวรายนี้พยายามมาห้าปีแต่ก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่อาตมากล่าวจนเกิดอกหักและเห็นว่าจิตฟุ้งซ่านมากพยายามหาทางแก้ให้จิตหายฟุ้งซ่านก็ไม่สำเร็จทำ จนหมดกำลังใจที่จะแก้จึงคิดว่าเอาเถอะแก้ไม่ได้แล้วเราจะรู้ความฟุ้งซ่านลูกเดียวละแล้วฉับพลันนั้นหนุ่มไร้ซิ่งสันก็เจริญสติเป็นอีกท่านหนึ่งเป็นพี่ที่เข้าวัดด้วยกันมานานจนรู้สึกคุ้นเคยกันเหมือนญาติเธอเป็นคนเก่งรอบตัวแต่พยายามฟังอาตมาอยู่20ปี จึงเพิ่งเข้าใจได้ว่าการปฏิบัติธรรมต้องรู้เอาจะทำคือเข้าไปแทรกแซงจิตและอารมณ์ไม่ได้เลยถ้าถามว่าสิ่งใดทำให้บางคนรู้ได้เร็วและบางคนรู้ได้ช้าทั้งที่แต่ละคนมีขีดความสามารถในทางโลกไม่แตกต่างกันนักขอตอบว่าไม่มีสิ่งใดปิดกั้นพวกเราไว้จากธรรม นอกจากความไม่รู้แล้วหลงปรุงแต่งจิตของเราเองผู้ใด 1. อยากปฏิบัติมากแล้วพยายามแสวงหาธรรมด้วยอํานาจของตัณหาหรือ 2. เจ้าวความคิดมากด้วยอํานาจของทิฏฐิหรือ 3. ไม่กล้าศึกษาธรรมด้วยอํานาจของมานะว่าเราเก่งแล้ว ถ้าถามผู้อื่นจะทำให้เราเสียหน้าเป็นต้นผู้นั้นจะยิ่งพลาดจากหนทางสายนี้เพราะไปหลงทำให้การเจริญสติซึ่งเป็นของง่ายที่สุดธรรมดาที่สุดกลายเป็นอะไรบางอย่างที่ยากเย็นและลึกลับเสียลเกินส่วนผู้ใดกล้าหาญพอที่จะรู้รูปนามไปตามความเป็นจริงรู้ซื่อรู้ตรงตรง ก็จะเข้าใจทำได้ไม่ยากเลยจบเสียงสื่อเรื่องพระที ส่องธรรมโดยพระอาจารย์ปราโมทป่าโมโชขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดี